ปฏิบัติธรรมะมีมากแต่ล้มลุกคุกคานกันไม่ว่าคนนั้นคนนี้หละหลวงพ่อ ก, ก็เหมือนกันลุมลุกคุกคานมยนนายาณเจวะหลวงพ่อไม่วางเพราะอุดมการณ์เรื่องนี้หลวงพ่อมั่นใจมากมาเลยมาทําที่วัดสนามไหนนี่เลยเพราาะว่เอากันที่ตรงนี้แหละให้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติอะไรก็เป็นวัดบรรยายธรร ม, ม, มะบ้างเป็นวัดปฏิบัติบ้บบางมาก่อน สับสนวุ่นวายหลุลุกคุกคานมันหลายคนคนนี้เขาต้องเอาเอาอย่างนี้คนนี้เขาต้องเอาอย่างนี้ก็เอาไปแต่ว่าความหนะักใจมั่นใจเราต้องมีอยู่คือการปฏิบัติการบรรยายธรรมะการแสดงธรรมะก็ต้องเอาเพื่อนเอาก็ต้องเอาวัดสนามไหนเป็นวัดสนามในบุญเยี่ย็เป็นวัดแล้วเดี๋มีสมภารแล้วมีเจ้าอาวาสแล้วเดียวแต่ก่อนไม่มีสมภาร ถ้าคนที่จะบริหารวัดกกบริหารไม่ได้เพราะมันไม่เป็นวัดเนี่ยเจ้าไปค่อยมาก็าแยงกันบัดนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าพระทองอะฮอพาพาข้าหลวงหรือพาสโลเรียกว่าอาจารย์ทองเป็นสมผานเป็นเจ้าอาวาสวัดในขณะปัจจุบันเนี่ยดังนั้นอุดมการณ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนหลวงพ่อก็ยังดูดูไปอย่หละแกหลวงพ่อเท้ มาบ่อยมาที่นี่เพราะว่าเราก็ต้องพยายามดูเพราะว่าเป็นคนที่ได้มีแนวคิตไว้ว่าอยากให้กรุงเทพ ม, มีสถานที่ปฏิบัติกันมากแต่การก่อสร้างที่เป็นวัตถุมากแล้วกรุงเทพเนี่ยไปที่ไหน ก, มก 2, 000, 3, 000. ็มีตึกสองชันสามชั้นกุฏิโอ้โหมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีอะไรอะไรก็ดูมอดูแม่กัน หลายอย่างที่กรุงเทพเจอผลการปฏิบัติก็มีเหมือนกันแต่ปฏิบัติแบบคำโคตรามาตัววิธีการนั้นไม่นอนบัดนี้วิธีการอย่างที่พวกเราทำกันเนี่ยก็มีมากเหมือนกันเลยเแต่ความรู้นั้นอาจจะมี น, อน้อยในนี้หนวงพอพูดความจริงใจเพราะว่าคนที่จะสอนต้องมีความรู้จริงไม่ใช่เอาวิธีการไปสอน อันวิธีการพลิกมือขึ้นคว่อมมือลงยกมือไปเอามือมาอันนี้มันเป็นวิธีการป่าพุทธญานขอนแก่นวัดโมกเลยกก็ยังพูดไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เตซอนเอาวิธีนี้เข้าไปพูดแล้วก็เห็นคนไปปฏิบัติกับเราแล้วบัดนี้คนนี้มันจะออกนอกหลักนอกแนวมันจะนรูปไปนอกแนวต้องพยายามตอนเข้ามาให้มันรูปตัวมันพยายามต้อนกับพอที่จะรูนะ่ะ ที่ให้มันรู้ตัวของคนจริงๆไม่ให้มันออกนอกไปจากตัวเราไม่ให้มันไปติดตำราก็ดูที่มันได้ผลมาเดี๋ยวนี้ก็อเอาเพชรจังหวะแล้วก็รู้กันไปอยากใครจะรู้ยังไงก็รู้ไปแล้ก็ดีเหมือนกันมันเป็นปริมาณคุณภาพหน่นอยวัดสนามไหนเป็นวัดเป็นสถานทีษปฏิบัติไม่เป็นของใครว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะมีสมผานบริหารงาน เขาจะที้ไปยังไงก็ไม่รู้หลวงพ่อคือว่าแนวการบูรมาการแต่แลเดีย๋ยวนี้เพราะว่าเป็นพระจารย์เนี่รุ่นนั้นดูเป็นอาจารย์ราารยคําเขียนกับอาจารย์ของว่าตามสมมุติแกรอนไม่ได้พูดอย่างนี้พระเนี่ยปีนั้นนัได้แสดงความจริงให้หลวงพ่อฟังว่าผมหลวงพ่ออาจารเขียนกับอาจารย์ทองจะใสยังไงใส่ผมได้ว่าอย่างนั้น เนี่ยเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหอาจารย์ของพวกกับผมใช่ไหมว่าอย่างนี้กับผมมีสองคนบินันนาแสดงความกินอะไรให้ฟังเอาจากใ้ผมอย่างไรใช้ได้ผมจะช่วยว่าจะเขาไม่ได้ใส้อะไรมากในโ ม, มกเพยายามดูมาด้วยความมีทานทองเลยข่าวนั้นปีนั้นมีอาจารย์มุนธรรมก็เลยเอ็นอาจารย์กันละแล้วกับคุณสมัยโอ้หลายคนพระติดหัวลูก ไปปฏิบัติธรรมะเนนไม่ค่อยมีเนรไม่อยากเอาผู้วันผู้น้อยจะคิชอพระเราจะทํางานที่ไหนก็ต้องพยายามพิชครูก่อนที่วัดสนามในเนี่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ไปไปมาม า, มาอยากพยายามพิชตัวบุคคลก่อนไม่อยากพิดอาจารย์นะเดี๋ยวนี้คันว่าผิดอาจารย์เนี่ยมันมากแล้วอาจารย์อยากพิชตัวบุคคลให้ตัวบุคคลเข้ามาปฏิบัติธรรมะให้มันรู้จริงและไปสอนมันจริงจะไม่พลาดพิด มันจะตรงดีืหลวงพ่อคิดอย่างไงเนืนนว่าหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนพ่อพยายามทําเรื่องนี้ให้มากแต่ว่าแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะอุดมการณ์ของคนไม่เหมือนกันบางคนต้องการพูดมากเนี่ยหาอาจารย์มาพูดมากๆบางคนบางคนต้องการเอาปริมาณนักมากอีกอย่นบางคนต้องการพลิกคนให้ได้ตัวจริงขึ้นมาเนี่ยแต่อย่างนั้นมันไม่เหมือนกันเดีมันล้มลุกคุกคานไปอย่างนี้น มาวมาัสนธรรมไหนเดยกก็จะมาดูพฤติกรรมการกระทำและการสอนแล้วสอนอยังไงคำพูดมันจะไม่เหมือนกันนะคนพูดอย่างหนึ่งก็ต้องไปอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็ต้องไปอย่างหนึ่งหลวงพ่อเคยไปลำปางสมัยพระทองล้วนเรียวาอาจารย์ทองล้วนนี่แหละกับอาจารย์อะไรไปอยู่ลำปางไปสอนก็อยู่ลำปางก็มีไปสอนอยู่ที่ใดๆครูลาปางเนะี่ยหลวงพ่อไป ไปรวมมีการอภิบายธรรมากันทุกวันวันหนึ่งทั้งครึ่งวันก็มีนี่เป็นอย่างนั้งผลการกระทํามีหน่อยนี่สาคัญเรื่องเนี้แต่การพูดมันหลวงพ่อเขาใหญ่ปริยาตรีนี่พูดคล่องที่สุดปริยาโธแม่ปริยาเอกก็มีนะปริยาเอกคาว่าด็อกเตอร์เป็นผู้เซลซานในการคิดแล้วแต่เมื่อถามหาเมื่อแท้นี่ยก็นูดีเหมือนกันแต่ว่าตัวจึงจับมาพูดไปได เป็อย่างนั้นหลวงพ่อได้ประสบมาแล้วเรืนี้จึงว่าโอ้ดีเหมือนกันเราจะหาคําพูดหรือจะหาตัวจริงในการปฏิบัติพวกคุณพวกหนูมาที่นี่เยถ้าจะมาปฏิบัติก็ต้องหาหผู้พู่ที่ดีแนะเนี่ยปฏิบัติจริงๆถ้าจะหาคนที่พูดต้องไปหาเอาอาจารย์ที่พูดเต่งนี่หลวงพ่อแนะนําให้ได้ทุกครั้ง ห, หรือจะหาเอาเพียงวิธีการต้องเอา เรียนวิธีการยังได้ยังไงเอาวิธีไปพูดไปสอนก็ได้เจตัวจริงนั้นเราจะรู้ถ้าเราไม่ฝึกตัวเราจริงจริเริ่มแรกหลวงพ่อเข้ามากรุงเทพแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เข้ามาในกรุงเทพเพราะมามีการสัมมนากันที่จังหวัดสุรินมีคณะสงฆ์พวกหนึ่งให้หลวงพ่อมาจำบรรษาที่ถ้ำโพธิสัตว์ ให้มาสอนกรรมปฐานอยู่ที่ตรงนั้นต่อมาเจ้าคุณปัญญาคุณืนโลกแล้วก็คุณสะอาดคุณปุ่นเัวนี้เนี่ยไปพูดกับเจ้าคณะจังหวัดเลยแล้วกล่าวคณะสงฆ์ที่มาจำพรรษาที่ถ้มพุทธศัตท์ตกลงให้หลวงพ่อมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชนประทานปีสิบ8สิบแปด อยู่ที่วัดสุนทรานก็มีคุณวิโรธนี่แหละคนหนึ่งแล้วก็ใครหลายคนไปติดต่อให้มาดูวัสนามไหนพอดีมาดูวัสนามไหนดูมีพระหลายองค์มาด้วยกันหกเจ็ดองค์มาดูว่าจะมาทำสถานที่ที่ตรงนี้แหละให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมรอบๆกับกรุงเทพเหเห็นเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมัน ไม่ค่อยมีการปฏิบัติกันมากแล้วก็มีการศึกษาเล่าเรียนกันสูงแต่การปฏิบัติทมมีน้อยการพูดก็อบมากเพราะศึกษาเล่าเรียนมามากก็เลยมาดูกันดูกันดูกันมาสองสามครั้งมันก็หายไปนาเพราะอุดมการมันไม่เหมือนกันพอดีออกพรรษาแล้วก็ให้ พระทองล้วนนี่แหละที่แรกพระทองล้วนนี่ก็ไปไปมามาอยู่แล้วกับพระสำลิศแต่มาดูหลวงพ่อตื่นคนมาดูจะให้พระทองล้วนกับพระสมำลิศมาก่อนสององค์มาก็ไม่ต้องสร้างอะไรมากหล่ะเราต้องปลูกปุฏิเล็กๆให้เป็นสถานที่ปฏิบัติทำขั้นกว่าอย่างนี้ต่อมาก็มีพระสมาน แล้วก็อาจารย์พระคำเขียนยนี่ว่าอาจารย์คำเขียนทุกวันนี้นะ่ะมารพระคำเขียนข่าวนั้นไม่ได้เรียกกันเป็นอาจารย์อาจารย์ก็อย่างนี้ดอกเสี่ยงพระเขียนนะครับพระสมานพระคําห่วงมาดูช่วยกันพยายามทํำผมเข้าใจกันให้มันดีการปฏิบัตธิธรรมเราต้องฝึกกันคิดด้วยอย่างนี้น แล้วต่อมาหลกเพ้าก็เลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมไปไปมามาคอยดูคอยแนะนําก็อย่างนั้นแหะเดีว่าการปฏิบัติธรรมะมันต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วกการกระทําอย่างนี้มันจะมีณโยบายอย่างนั้นเราคํานวณมายังไม่มีวัดเป็นสํานักปฏิบัติธรรมจะเป็นวัดล้างอะไคนที่เศร้า อ, อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เศร้าตอนนี้เศร้ารอบที่วกเราขยายไปใหม่นี่เอง ก็เลจกลงกันจกลงกันอยู่กันมานานพระทองล้วนก็เป็นคนบริหารงานทมไปอย่างนั้นอย่างนี้เด็ก็ก็มาคอยดูกันสอนกันอยู่ที่ตรงนี้หลายคนอุดมการความเห็นไม่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เป็นวัดแต่เป็นสำนักปฏิบัติแล้วกับมีการเผยแร่กันมากแล้วก็มีปุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเข้ามารวม คนทายเข้ามาทำปราบตามกันเข้ามาสร้างนั่นสร้างนี้ขึ้นมามันเป็นธรรมดานะคนมาอยู่หลายคนแสดงทำกันบ่อยเลยทุกวันอาทิตย์ก็ต้องเชิญอาจารย์นั้นมาเชิญอาจารย์นี้มามาอธิบายธรรมากันตัวอย่างเรื่องนี้หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดสนประทานก็เห็นเจ้าคุณปะะัญญาทำอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์เจ้าคุณปะะัญญาก็เช่นเดียวกัน แล้วก็เพราะมาอยู่ที่นั้นในสมพงเทพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีการบรรยายเจ้าคุณปัญญาก็เอาอาจารย์นั้นมาอธิบายอาทิตนั้นบางทีสองสามอาจารย์เนี่ยเไปบรรยายในวัดส่วนประธานเนี่ยด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไปอธิบายกันทุกอาทิตย์แล้วก็มีการประสมกันด้วที่นั้นเราจะเผยแพรแ่โดยวิธีไหนเจ้าคุณปัญญาออก แการจนหัวหน้าโครงการจะเผยแพรธรรมะเนี่ยมันจึงจะทันเหตุการณ์าทกันมาทวัฒนธรรในเราก็ทํากันมาลบมลุกคกคานมาอย่างนั้นเนี่ยมันตัวจริงมันมีน่อยสมมติเอาเรากินปลาเนี่ยเนื้อมันไม่ไม่ค่อยรู้จะเห็นจะกระดูกมันเพราะมันแข็งกระดูกเนื้อก็เหมือนกันมันมีกระดูกมันแข็ง แต่เนื้อมันน้อยดังนั้นเจ้าว่าพวกเราต้องเข้าใจสันติจริงจังๆมาปฏิบัติธรรมะท่านเทพปฏิบัติธรรมะมีมากแต่ลม้มลุกคุกคานกันไม่ว่าคนนั้นคนนี้หลวงพ่อก็เหมือนกันลุกลุกคุกคานมายาณเจว่าหลวงพ่อไม่วางเพราะอุดมการณ์เรื่องนี้หลวงพ่อมั่นใจมากแต่เมื่อหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อเป็นโยมไปปฏิบัติ พอได้ปฏิบัติธรรมะรู้แล้วหลวงพ่อก็เข้ามาเปิดอบรมที่บ้านบุหผมเป็นครั้งแรกที่สุดเป็นโยมเปิดอบรมสองปีบวชสอนอยู่ที่ตรงนั้นหลวงพ่อก็มาบวชแล้วบวชก็พยายามหาเพื่อนก็ได้เนร น, น้อยสองคนเนรพานุเขาเป็นเพื่อนต่อมาก็เลยมีเพื่อนมากเข้าก็เลยมาอยู่ที่ ป่าพุทธยานที่ยิ่งทัยุไรูนี่แหละอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนั้นก่อนเลยก็มีหลายคนไปปฏิบัติธรรมะด้วยกันมาครับอาจจะเป็นผู้พระคำเขียนถาทองอย่างที่เราเรยกอาจารย์ทองทุกวันนี่แหละแล้วก็หลายคนจะเป็นรุ่นสองรุ่นหนึ่งเานี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรา น, นปฏิบัติธรรมะ จะได้ยินพวกนี่นะัะสองสามคนด้วยกันมีความสามารถคิดว่าจะฟื้นฟูหลักพุทธศาสนาเอาเป็นเอาตายกันก็ยางนงเอากินเอาจังกันเลยหลวงพ่อก็พยายามหาสถานที่มาที่เหมาะสมมาก็มาอยู่ที่ขอนแก่นเพหลวงพ่อออกหน้ามามาอยู่ที่ขอนแก่นก็เลยมาอยู่วัดสุนทรธานวัดสุนทรธานนี่เจ้าคุณปัญญาอยากให้อยู่ที่นั้นแต่มันก็ยังไม่ติดอิสระ เพราะว่าเจ้าคุณปัญญาท่านทําอย่างนั้นเราจะไปแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้ปีนั้นหลวงพ่อมาอยู่มีพระนาวากาจํานวน120คนได้รู้ธรรมะเพียง12คนเท่านั้นลหลวงพ่อพยายามสอนทีนะหลวงพ่อพูดภาษากลางไม่ค่อยเดินข่าวนั้นต้องพูดภาษาเมืองเลยก็มีคนไปสอนให้พูดภาษากลางอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละก็หัดกันหัดพูดขึ้น ได้เป็นเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนเมืองเลยเหตุนึงซื้อไม่เป็นเนี่ยหลวงพ่อมันก็ไม่ถูกอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถูกอัคขระพัชยสนาอาะไรเป็นอย่างนั้นก็เลยมาทําที่วัดสนามไหนนี่เลยเราว่าเอากันที่ตรงนี้แหละให้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติอก็เป็นวัดบรรยายธรรมบ้างเป็นวัดปฏิบัติบ้างมันก็ขับสนวุ่นวายลุกลุกคุกคานี่มันหลายคน คนนี้เขต้องเอาเอาอย่างนี้คนนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ก็เอาไปแต่ว่าความหนักใจมั่นใจเราต้องมีอยู่คือการปฏิบัติการบรรยายธรรมะการแสดงธรรมะก็ต้องเอาเพื่อนเอาก็ต้องเอาแต่ว่าเราหนักทางการสอน <c oughs> ตัวหลวงพ่อหนักการสอนคือต้องการควมจริงหลวงพ่อเขาอ้าใจย่ังไงการพูดนี่ดีแล้วแต่พวกขุนพวกหนู พวกพระเหล่าเนี่มีการศึกษาเราเรียนมากอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ทันพวกคุณการแสดงธรรมะเนี่ยรับรองบอกว่าไม่ทันพวกคุณการอธิบายธรรมะกับไม่ทันพวกคุณพวกหนูพวกพระเนี่ยเพราะพวกมีเรียนเด็กหลวงพ่อไม่ได้เรียนเขียนหนังสือไม่เป็น <c oughs> อ่านหนังสือไม่ได้แต่เพิ่งมาเรียนกับหลวงปู่กาเป็นครูเก่า ไปสอนให้ท่านไปบูตไปปฏิบัติธรรมไปสอนเลียนก่อนตั้งแต่กอไก่ที่แล้วขึ้นไปพยายามพูดก็จนได้กับปากนะมัเขียนไม่เป็นนั่นเลียนเลียนกับปากได้ตัวอักษรมันก็เรียนเขียนมาขอพูดได้ท่านเองดังนั้นการสอนก็สําคัญการพูดก็สําคัญการพูดนี่หลวงพ่อเข้าใจว่าปริญาตีเนี่ยพ่มาก ก็เลยเพื่อนอาจารย์กันเลยแบเ น, นี้ก็เลยมีอาจารย์บ้านหลวงพอ่อไม่ค่อยมีอาจารย์แต่ก่อนมีแต่ครูบานั้นครูบานี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เดี๋ยวนี้ก็มีนักศึกษาปริยตรีปริยโทขึ้ออนอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แพร่ขยายตัวไปถึงบ้านหลวงพอ่อเรื่องอาจารย์หนึ่คนขับรถยนต์เพื่อ น, นอาจารย์อยน่นี้ยเป็นอย่างไงทาอะไรเป็นอาจารย์ทางนั้นโอ้อาจารย์นี่ก็ดี นี่สำคัญเรื่องสัมมาทิฏฐิของพวกเราให้เราเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอมิสษาทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยเราจำข้อนี้ไว้นะว่าวัดปฏิบัติก็มีมากเลือกเอาเองและครูบาอาจารย์ก็ดีมากผู้ที่สอนกรรมาฐานเลือกเอาเอง ชอบใครต้องไปไม่ต้องเสียเวลาอันหลวพอพูดให้ฟังตามบทจิตจเดี๋ยวนี้วัดสนามไหนเป็นวัดนณะในบุญเยี่ยมเป็นวัดแล้วเดี๋ยวนี้มีสมภารแล้วมีเจ้าอาวาสแล้วเดี๋ยวแต่พอนไม่มีสมภารต่คนที่จะบริหารวัดก็บริหารไม่ได้เพราะมันไม่เป็นวัดเนี่ยจาไปค่อยมาก็าแย้งกันบัดนี้่อปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าพระทองอร พาพาข้าโลวงหรือพาสโลเรียกว่าอาจารย์ทองเป็นสมผานถึงเจ้าอาวาสวัดในขณะปัจจุบันนี่ยอย่างนั้นอุดมการณ์เนตจากสิบเปลี่ยนแปลงไปทางไหนหลวงพ่อ ก, ก็ยังดูดูไปอย่างนี้เลยแกหลวงพ่อแทะมาบอยมาที่นี่เพราะว่าเราก็ต้องพยายามดูเพราะว่าเป็นคนที่ได้มีแนวคิดไว้ว่าอยากให้กรุงเทศเนี่ย มีสถานที่ปฏิบัติกันมากแต่การก่อสร้างที่เป็นวัตถุน้มากแล้วกรุงเทพเนี่ยไปที่ไหนก็มีตึกสอง0ันสามชั้นกุฏิโอ้โหมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีอะไรอะไรกันดูมอดูแม่กันหลายอย่างที่กรุงเทพเจดผลการปฏิบัติก็มีเหมือนกันแต่ปฏิบัติแบบคำโคตราตัววิธีการนั้น มีนอบัดนี้วิธีการอย่างที่พวกเราทํากันเนี่ยก็มีมากเหมือนกันแล้วยแต่ความรู้นั้นอาจจะมี น, อน้อยในนี้หลวงพอพูดความจริงใจเพราะว่าคนที่จะสอนต้องมีความรู้จริงไม่ใช่เอาวิธีการไปสอนอันวิธีการพลิกมือขึ้นคว่อมมือลงยกมือไปเอามือมาอันนี้มันเป็นวิธีการวิธีอันนี้ทําแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไร ที่หลวงพ่อไปทำลองดูวิธีอันนี้ธรมแลม้วมันมันเกิดปัญญาเกิดปัญญาลูกของจริงจริงหลวงพ่อไม่เคยได้ยินเรื่องแต่ได้ยินแต่มันไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่องนามเรื่องลูกทำนามทำรูกโลกนามโลกไม่เคยได้ยินแต่ก่อนได้ยินแต่ว่าธร ร, รมะกับทุกขังอันนี้จังอนัตตาได้ยิน <Gary. S 2> เรื่องสมมุติเนี่ก็ไม่ค่อยได้ยิน ไม่ได้ยินจริงๆแต่ก่อนเรื่องศาสนาเนี่ก็อนพุทธศาสนาเขาได้ยินแต่ไม่เข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญที้ได้ยินแต่ไม่เข้าใจพอดีหลวงพ่อมาทําวิธีนี้หลวงพ่อเกิดที่ความเข้าใจเกิดสำนึกขึ้นธรรมะคือตัวทุกคนเราต้องกล้าพูดกล้าสอนได้พอสอนคนให้คนรู้ธรรมะเท่า น, นั้นเองกล้าอย่างหลวงพ่อจึงมาต่ออย่างนี้หลวงพ่อจึงนิธีนี่ก็สําคัญ แต่ว่าวิธีนี้บางทีคนทําแล้วรูปไปอย่างอื่นก็มีติดอย่างเนงะ้ยไม่เหมือนกันเนี่ยชื่อว่าอุดมการ์ของคนไม่เหมือนกันจริงอ่ะมันล้มลุกคุกขาดวิธีปฏิบัติมันไม่ไพ่เจ้าวหน้าเพราะว่าคนมันไปติดพิธีกันแล้วก็ติดชิสีพูดมันจนะดอย่างวิธีปฏิบัติจริงจรินั้นนอยที่สุดหลวงพ่อคํานวณดูแล้วโอ้หลวงพ่อมาอยู่ที่ ไปดูที่นั้นไปดูที่นี้บางทีมวยเก๊มวยเ ก, ก๊กเขามีเป็นวิธีปฏิบัติทางนั้นจะขัดคนไม่ได้แล้วก็ต้องเรียนกับเขาเจรหลวงพ่อกัเลยได้เรียนมาหลายอย่างแต่ว่าหลวงพ่อปะวิธีนี้ย่างไม่ได้เพราะวิธีไหนๆก็ตามหลวงพ่อได้ที่ทำวิธีพุโทโธภาวนาพุโทโธวิธีสัมมา阿拉หังวิธีนับหนึ่งสองสาม นิทีพองนุกวิธีดูลมหายใจเข้าสั้นออกเหงานิธีมวยจีนะครัว่าเขากันอย่างนี้ยันี้โอ้หลายเรื่องเนี่ยโอ้โหนี่หลวงพ่อก็เคยได้เรียนกันกับเพื่อนมาแต่มันก็ดีทุกเรื่องแต่มันไม่ทําให้หลวงพ่อแจ้งในใจให้หลวงพ่อมือตื้อมีความสงสัยกังวลไปติดตําราเรื่องนั้นไปติดตําลาเรื่องนี้ตัดปัญหาอันนี้ไม่ได้เลย พ อ, อดีหลวงพ่อมาทําอันนี้ไม่ต้องเอาคมลู่ไข่ทั้งหมดนเลยเอาเพียงคมรู้สึกพลิกมือขึ้นก็รู้มันหยุดอยู่นี่ก็ให้มันรู้ยกมือขึ้นเอาทไห้มันรู้ไว้ไปไหวมาให้มันรู้หลวงพ่อเลิกบรรยากาศพูดแต่คราวหลวงพ่อสอนกันอยู่ที่บ้านบุคคมแล้วก็สอนกันอยู่ที่วัดสันติก็หลายสำนักที่หลวงพ่อเป็นโยมสอนบวชเข้ามาหลวงพ่อมาสอนอยู่ที่ ป่าพุทธญาณขอนแก่นวัดโมกเลยก็ยังพูดไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เต็จสอนเอาวิธีนี้เข้าไปพูดแล้วก็เห็นคนไปปฏิบัติกับเราแล้วบัดนี้คนนี้มันจะออกนอกหลักนอกแนวมันจะรู้ไปตรงไนว็ต้องพยายามซ้อมเข้ามาให้มันรู้ตัวมันพยายามต้อนกระพอที่จะรู้นะชี้ให้มันรู้ตัวของคนจริงๆไม่ให้มันออกนอกไปจากตัวเราไม่ให้มันไปติดตารา ก็ดูเที่มันได้ผลมาเดี๋ยวนี้ก็เอาเช็อยังวงแล้วก็รู้ ก, กันไปใครจะรู้ยังไงก็รู้ไปแล้ ก, ก็ดีเหมือนกันมันเป็นปริมาณคุณภาพนิดหน่อยยังไงปลาทุกตัวต้องมีข้างมีเนื้อเนื้อทุกตัวต้องมีกระดูกมีเนื้อเหมือนกันเราต้องเลือกคัดจัดหาออกให้เป็ม น, นี่เป็นยางไงบางคนเป็นนึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จะมีอีกทีปฏิหารก็มีณนะปฏิบัติธรรมะนี่เนี่ยสมาธิคือยิ่งไม่เหมือนกันหลวงพ่อทิศหลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นพอดีหลวงพ่อรู้จักตอนเท่าเรื่องรูปนามนี่หลวงพ่อรู้จักจริงจริงลู้จักจนไม่ไว้ใจไทยทั้งหมดเลยไว้ใจความจริงใ จ, ใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ว่าอย่างนั้นทําไมยิ่งกล้าพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เรานึกได้ขึ้นมา พราพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิเลียบทั้งสี่ว่าท่นยืนเดินนั่งนอนสี่อย่างนี้ให้มีสติรู้เห็นว่าจยางนั้นและไม่ได้เอาโมยเจ็กอย่างนี้ไม่ใช่เอาโมยเจ็กอย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ว่าท่านสอนอย่างนี้แต่ว่าโมยเจ็กก็เข้ากันได้เพราะว่าให้มีสติรู้เหมือนกันและท่านยังสอนย้ำเข้ามาว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิเลียบทย่อย อู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเด็ก่าให้รู้แต่หลวงพ่อมาทําอันนี้มันเข้ากันได้แต่พุทโธก็สอนกันมานานแล้วหลวงพ่อได้ฝึกมาแล้วมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่สว่างใจคำว่าสว่างใจมันหมายถึงอะไรคือมันยังมืดใจอยู่มันไม่รู้ทางไปอยู่พอดีมาทําอย่างนี้มันรู้ทางไปมันมีทางไป มันรู้จักแก้ไขปัญหาการขัดแย้งภายในกิจใจตัวเองหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นการทำความรู้สึกตัวนี้จึงมีอานิสงส์มากบาปมากที่สุดตั้งปัญหาถามตัวเองในขณะที่ตัวเองปฏิบัติอยู่บาปมากที่สุดคืออะไรคือไม่รู้สึกตัวนี้เองเเหลวงพ่อเข้าใจไหมบุญมากที่สุดคืออะไรคือรู้สึกตัวนี้เองหลงพอเข้าใจอย่างนี้น ีว่าวัดสนามไหนเป็นวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติไม่เป็นของใครว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะมีสมผาสบริหารงา น, านเพราะเขาจะซื้อไปอย่างไรก็ไม่รู้หลวงพ่อคือแนวการบุรุษการแต่แล้วเดี๋ยวนี้เขาว่าเป็นอาจารย์เนื้อลุ้นนั้นดูเป็ น, อ, นอาจารย์คําเขียนกับอาจารย์ของเราตามสมมุติเต่พอนไม่ได้พูดอย่างนี้พระ เนี่ยปีนั้นมันได้แสดงความจริงให้หลวงพ่อฟังว่ะผมหลวงพ่อวาการเขียงกับจาัดทองจกใสยังไงใส่ผมได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยปียนั้นได้เขีนมาจัดทองเพื ก, กับผมนะว่าอย่างนี้กับผมมีสองคนปีนั น, นแสดงความจริงอันนี้ให้ฟังเอาจกใส่ผมยังไงใส่ได้ผมจะช่วยวะเขาไม่ได้ใส่อะไรมาก เด็กๆมก็พยายามดูมาแล้วา็มีกานท้องกันคราวนั้นปีนั้นมีอาจารย์มุญธรรมกเร็เลยเอ็นอาจารย์กันหลยแล้วก็คุณสมัยโอ้หลายคนพระสิบวัวลูกไปปฏิบัติธรรมะเนินไม่ค่อยมีเลยไม่อยากเอาเพาวันผู้น้อยจะพลิดอภ า, าเราจะทำงานที่ไหนก็ต้องพยายามพลิดครูก่อนที่วัดสนามในนี่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ไปไปมาม า, มาอยากพยายามพลิดตัวบุคคลก่อน ไม่อยากผิดอาจารย์นะเดี๋ยวนี้การว่าผิดอาจารย์นี่มันมากนลอาจารย์อยากผิดตัวบุคคลให้ตัวบุคคลเข้ามาปฏิบัติทำมาให้มันรู้จริงและไปสอนมันจึงจะไม่พลาดผิดมันจะตรงดีหลวงพ่อคิดอย่างไรในวันหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนพ่อพยายามทําเรื่องนี้ให้มากแต่ว่าแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะอุดมการ์ของคนไม่เหมือนกันบางคนต้องการพูดมาก หาอาจารย์มาพูดมากๆบางคนบางคนต้องการเอาปริมาณมากๆไปเรื่อยๆบางคนต้องการคิกคนให้ได้ตัวจริงขึ้นมาเนี่ยเป็อย่างนั้นมันไม่เหมือนกันเดียวมันล้มลุกคุกคานไปอย่างนี้พวกคุณพวกหนูมาปฏิบัติธรรมาที่นี่ฟังแล้วคิดเอาเองมาจากพิุนโลกก็มีพระก็มีนี่มาที่นี่พระสององค์อยู่ <บา S 1> ในแฝงตรงนี้น เนีภาพสององค์แนวเป็ียนมาจากที่ไหนมาจากน้องขายก็มีได้ยินวัดรังบันวานเนี่ยก็มีมาจากที่ไหนทางภาคเหนือเนี่ยมาจากทางเมืองแพร่ลาปางลำปลางเนี่ยมันก็มีหลายจังหวัดเนี่ยมาวัสนามไหนเด็กก็จะมาดูพฤติกรรมการกระทําและการสอนและสอนอยังไงคําพูดมันจะไม่เหมือนกันนะ คนพูดอย่างหนึ่งก็ต้องไปอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็ต้องไปอย่างหนึ่งหลวงพ่อเคยไปลําปางสมัยพระทองล้วนเรียกว่าอาจารย์ทองล้วนนี่แหละกับอาจารย์อะไรไปอยู่ลําปางไปสอนกับอยู่ลําปางก็มีไปสอนอยู่ที่ใดๆขู่ลาปางเนะี่ยหลวงพ่อไปไปรวมมีการอธิบายธรรมมา ก, กันทุกวันวันหนึ่งทั้งครึ่งวันก็มีนี่เป็นอย่างนั้นผลการกระทํามีหนอยนี่สําคัญเรื่องนี้ แต่การพูดใ น, นหลวงพอเขาเด็ปริยาตรีในพูดคล่องที่สุดปริญาโถแม้ปริยาเอกก็มีนะปริยาเอกเขาว่าด็อกเตอร์เป็นผูเ้เซลซานในการคิดแล้วแต่เมื่อถามหาเนื้อแท้นี่ก็นู่ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวจริงจับมาพูด ไ, ได้เป็นอย่างนั้นหลวพอได้ประสบมาแล้วนี้จึงว่าโอ้ดีเหมือนกันเราจะหาะคําพูดเลือกอยหาตัวจริงในการปฏิบัติพวกคุณพวกหนูมาที่นี่ ถ้าจะมาปฏิบัติก็ต้องหาผู้พูดที่ดีแน่เนี่ยปฏิบัติจริงๆถ้าจะหาคนที่พูดต้องไปหาเอาอาจารย์ที่พูดเต่งนี่หลวงพ่อเนะ่ยนำให้ได้ทุกครั้งหรือะจะหาเอาเพียงวิธีการต้องเอาเรียนวิธีการอย่างไรให้ยังไงเอาวิธีไปพูดไปสอนข็นได้ตัวจริงนั้นเราจะรู้หน่ถ้าเราไม่ฝึกตัวเราจริงๆให้ขันพลกระแสของนัด มันก็หมายถึงรู้ควมคิดนี่องไม่ทำไปตามความคิดไม่ทําไปตามอารมณ์นี่บัทเดียวนี้เรียนมนาก็ต้องทําไปตามควาคิดทําไปตามอารมณ์มันคิดยังไงก็ถูกทั้งหมดเลยนี่ทิฏฐิอันนี้มันสําคมุดันนี่ทิฏฐิว่าเ ร, า เ, เ ร, เ า, ราเห็นถูกต้องเนี่ยนี่ยสําคัญจริงๆเนี่ยนะวาสัมมาทิฏฐิวันเห็นถูกต้องเนี่ยเอาอันนั้นมาสอนก็ถูกต้องอันนี้มาต้อนแต่มันเลิกละอันนี้ไม่ได้โยกคนโอ้ ความจริงสัมมาทิฏฐิเห็นตัวเราจริงๆกาลังทํากําลังพูดกําลังคิดมีจริงๆไงสัมมาทิฏฐิหลวงพ่อเข้าใจเมื่อเราอยู่กับโมหะความหลงโลภะความโลภโพสะความโกรธอา้าวไม่บันไดกับวันหนึ่งขึ้นมามาจะมาตกหน้าเราจริงๆหลวงพ่อเข้าใจยังไงเมื่อเราอยู่ด้วยความระมัดระวังและเราอยู่ใยชอบเนะอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญา อยู่ด้วยสมาธิแล้วมันคิดขึ้นมาเรื่องข่มหลงมันก็ไม่มีเย่ยจ้ะวายิ่งทําก็ยิ่งรู้ยิ่งลงน้ําลึกเท่าใดก็ยิ่งเย็นเท่านั้นหลวงพ่อเข้าใจยังและไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันพูดได้เนี่ยแต่ไม่รู้นี่แหละการศึกษาเราเรียนการอธิบายธรรมแต่อธิบายได้ไม่รู้หลวงพ่อเรียนอย่างเดียแต่พอแม่เราให้ฟังเนี่ยคนนั้น ใจดีคือพระธรรมตัวคนนี่แหละทำพระคือใจดีนั่นเนี่ยพระธรรมนี่จริงอ่ะไปทำนาไปทำสวนเอาพระอันนี้ไปทำเรียวพระธรรมยินเข้ากับพระกินเข้าห้องน้ำกับพระเข้าล้างถ้วยกับพระล้างเนี่ยเนี่ยพระธรรมจริงๆเลยรู้พระธรรมจริงๆหรือเป่าใครจะพูดยังไงก็ไม่เชื่อเลยว่าเนี่ย ก็เลยตัดเสียใจโอ้พระธรรมนี่คือคนทำขันผีทำอมไรเนี่ยมันทำทั่วเนี่ยมันใจมันไม่ดีกว่าผีทำเขาว่าอย่างโอ้ใจหายเป็นผีใจดีเป็นพระมันจะเข้าใจจริงจอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่หลวงพ่อยู้งหัวเมื่อไม่มีปกติความคิดมันก็เข้าไปในความคิดมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดหาจะไปแก้เรื่องนั้นคิดหาจะไปแก้เรื่องนั้นคิดหาจะไปวรุนเรื่องนี้คิดหาจะไปวอลุน อันนั้นไม่ใช่ถึงคมลูกของญาณสัญญาเป็นคมลูกของนึกคิดอันนี้หลกพ่อเขาใจอย่างน้นมันไม่เป็นญาณปัญญามันไม่เป็นนิปสนญาณามันไปเอาตำลามาคิดวิพากษ์วิจารณ์